ผู้ตื่นอยู่เสมอบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อคนทั้งหลายประมาทอยู่เป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อคนทั้งหลายหลับอยู่เป็นผู้ตื่นอยู่เป็นส่วนมากย่อมละบุคคลผู้ประมาทเหมือนม้าฝีเท้าดีละทิ้งม้าฝีเท้าไม่ดีไม่มีกําลังไปฉะนั้นบาลีว่าอัพมตโตะประมตเตสุสุดเตสุพะหุชาคโรอภะละ ส, สั่งวะซีคาโซหิตตวายาติสุเมทะโซ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 และทั้งขยันหมั่นเพียรมีกําลังกายดีคนนั้นยอมเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วไปเร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันพระพุทธภาสิทนี้พระศาสดาตรัสเพราะทรงปรารพภิษุสองสายมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องพิษุสองสายเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันภิษุเป็นสหาหกันสองรูปเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาแล้วไปพำนักอยู่ในป่ารูปหนึ่ง เร่งทําความเพียรด้วยความไม่ประมาทส่วนอีกรูปหนึ่งเที่ยวหาเฟินในตอนเย็นนำมากองไว้และผิงไฟคุยกับภิกษุสามเณรตลอดปฐมยามยามหนึ่งก็สี่ชั่วโมงแห่งราตรีภิกษุผู้ไม่ประมาทเตือนว่าผู้มีอายุยมูทํ า, าทอยู่อย่างนั้นเร่งทําความเพียรเขเถิดอบายสี่เป็นเช่นเรือนนอนแห่งผู้ประมาทแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดปานผู้โอ้โอวดและประมาท แต่ภิกษุผู้ประมาทหาเชื่อฟังไม่มีหนำซ้ำเมื่อภิกษุผู้สหายทำความเพียรพอสมควรแล้วเข้าห้องเพื่อพักผ่อนในมัชชิมยาบก็ตามเข้าไปว่าท่านเกียรตคร้านมากท่ามาอยู่ป่าเพื่อ น, นอนหลับหรือท่านเรียนกรรมฐานมาจากสำนักพระพุทธเจ้าแล้วควรจะลุกทำความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนดังนี้แล้วกลับไปนอนที่ห้องของตนงานที่ภิกษุรูปนี้ทำประจําก็คือคุยและนอนกลับเข้าไปเปรียบเปิยภิกษุสหายผู้ทำความเพียร ส่วนภิกษุผู้ทำความเพียรพักผ่อนในมัจฉิมยามแล้วลุกขึ้นทำสมณธรรมในปัจฉิมยามไม่ประมาทอยู่อย่างนั้นไม่นานนะก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายเมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งสองรูปไปสู่สมณะพระศาสดาพระองค์ตรัสถามว่าทั้งสองอยู่ด้วยความไม่ประมาทตลอดพรรษาหรือกิจแห่งบรรพชิตได้ทำให้สิ้นสุดแล้วหรือภิกษุผู้ประมาททูลว่า ตนเองได้ออกขาฟืนแต่เวลาเย็นนำมากอ่อไฟผิงนั่งผิงอยู่ตลอดปฐมยามไม่ได้หลับนอนส่วนภิกษุอีกรูปหนึ่งเอาแต่นอนอย่างเดียวพระศาสดาตรัสว่าเธอนั่นแหละเป็นผู้ประมาทแล้วยังมาพูดว่าตัวไม่ประมาทอีกส่วนบุตรของเราผู้ไม่ประมาทเธอมาบอกว่าประมาทเธอเป็นเสมือนม้าทุลพนขาดเช่าเป็นผู้พ่ายแพ้ส่วนบุตรของเราขอสังเกต พระพุทธเจ้ามักทรงเรียกภิกษุผู้ปฏิบัติดีว่าบุตรของเราเป็นเสมือนม้าที่มีเชาวดีดังนี้แล้วตัดพระคาถาซึ่งในยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้น